วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันทำบุญพี่น้องประชาชนทางอีสานเหนือของพวกเราตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำมาแล้วอย่างวัฒนธรรมของพี่น้องชาวจีนของพวกเราแผ่นดินใหญ่ของพวกเราถือว่าวันไหว้เจ้าวันไหว้เจ้ า, ยยาก็คือเป็นวันสำคัญยิ่งของพี่น้องชาวจีน เป็นวันไหนท่านก็กําหนดวันออกมาอย่างพี่น้องชาวอีสานเหนือของพวกเราก็กําหนดออกมาว่าวันข้าวประดับดินก็คือวันเดือนดับแล้วก็วันเดือนสิบแผ่นเป็นวันทำบุญฉลากรพัดถวายฉลากรพัดแล้วก็น้อมจิตอุทิศสวนกุศลต่อวันพระชนคือพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายวงสาคณาญาติญาติมิตรสาหาิเจ้ากรรมในเวรที่พวกเราได้ร่วมกันทําบุญในพรรษา เดือนเก้าดับที่ผ่านมาและวันนี้เป็นเดือน10เพนอีกวันหนึ่งในพรรษาเพราะนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญถือมาตั้งแต่โบรัมโบราณโบราณการคนที่ปู่ย่าตายายของพวกเราถ้าหากว่าท่านลลวงรับดับขันไปเพราะว่าการเกิดมาเนี่ยไม่ใช่จะทำแต่คุณงามความดีอย่างเดียวหลวงพ่อเคยพูดทำความชั่วด้วยติดตัวไปด้วย คนเราคนหนึ่งพวกเราคิดดูพวกเราก็แล้วกันตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเป็นคนดีไม่เคยฆ่าสัตว์ใช่ไหมไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยทำความชั่วอย่างนั้นเลยอย่างนั้นใช่ไหมพวกเราก็รับประกันในตัวของเราไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นความชั่วก็ดีความดีก็ดีมันอยู่กับเราเทั้งสองอย่างแต่เมื่อเราล่วงรับดับคันไปไม่รู้กรรมชั่วทกรรมดีจะให้ผลก่อนถ้าพวกเรา เพื่อเมื่อตายไปกรรมชั่วให้ผลพวกเราอาจจะไปเป็นไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปเกิดเป็นเปรดซะก่อนก่อนที่จะได้รับสนบุญที่พวกเราได้ทำเอาไว้ในเมื่อพวกเราตกไปในทางต่ำเราก็ขึ้นมาผลจากกรรมชั่วผลจากกรรมที่เราทำไปแล้วเราอาจจะมาเป็นวิญญาณที่ร่องลอยเออวันนี้ วันเดือนสิบเพนจะหมัยก่อนเราเป็นมนุษย์นะเราได้พบพระพุทธศาสนาเราได้ทําบุญทําทานกับพระสงฆ์ได้ทําถวายชลากกระพัดแต่ปีวันนี้คราวนี่เราตกทุกข์ได้ยากผ่านมาแล้วพี่น้องลูกหลานที่ได้รับมรดกจากเราไปที่เราได้ ท, ทําไล่ ท, ลทํานาทารั้วทสวนทำธรรมมาค้าขายให้แก่ลูกหลานเหล่านั้นได้รับมรดกจากเราไป พวกเขาเหล่านั้นได้ทําบุญไปทําบุญทําทานบ้างหรือเปล่าหนะ่าเนี่ยดวงวิญญาณเหล่านั้นอาจจะมามองเชิงเงืขอมาหาพวกลูกหลานพวกญาติญาติก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้มาทําบุญในพระพุทธศาสนาถึงจะไปวัดไหนที่ไหนก็ตามเออจุดก่อนที่จะหลับนอนวันนี้ให้กราบไหว้พระเสก่อนเออบุญกุศลของข้าพเจ้าแต่ทํามาในอดีตถึงปัจจุบันนี้ ที่จะเป็นคุณงามความดีมากน้อยก็ขอให้เป็นเครื่องเกือ้อกูลหนุนดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราตกทุตกข์ระยะก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากคุณงามความดีของข้าพเจ้าที่ทำมาตลอดนะด้วยเทินะให้คิดในใจไว้อยู่เสมอให้คิดในใจเอาไว้นะอันนี้ก็คือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกร ะ, ระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา บางท่านก็เห็นไหมท่านทำไร่ทำนาทำที่ทำมาหาเลี้ยงชีพซื้อที่ดินที่ดอนที่บ้านที่เรือนไว้ให้พวกเราพวกเราก็ได้อยู่ได้พึ่งพาอาศัยที่ดินที่ดอนเหล่านั้นบ้านเรือนเหล่านั้นได้รับความสะดวกสบายอันนี้ก็คือเป็นบุญเป็นกุศลพวกเราเป็นทายาติของท่านได้รับความสะดวกสบายจากผลงานของท่านในเมื่อเราได้รับผลงานเราจะรับเราก็เฉยไม่คิดถึงท่านจะเลย ไม่น่าจะถูกต้องเพราะในหลั ก, ลกของพุทธศาสนาเนี่บุพการีบุคคลผู้มีอุปการะกรพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อท่านเหล่านั้นอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทบทวนจะต้องทบทวนจะต้องได้คิดเมื่อท่านมีพระคุณอย่างนั้นแล้วพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูต่อท่านเหล่านั้นอย่างไรถึงพวกท่านเหล่านั้นจะล่วงลับดับขันตายไปแล้ว พวกเราที่อยู่เบื้องหลังพวกเราก็ได้มาทาบุญอย่างวันนี้แหะใส่บาตร ท, ทาบุญจากนั้นก็ถวายพัทหาร พ, าาาพระสงฆ์ด้สมาทานศีลในวัยพระสวดมนต์ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีพวกเราก็น้อมจิตที่เป็นคุณงามความดีเหล่านี้แหละต่อบรรพชนหรือดวงต่อดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นวพรานั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการสร้างคุณงามความดีพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันทั้งทุกคน แต่ความปรารถนาเรื่องความคิดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะแต่นคนหนึ่งปรารถนาอย่างหนึ่งคนหนึ่งปรารถนาอย่างหนึ่งอย่างที่เอพวกเราได้สมาทานสิขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงพระริพานในปัจจุบันนชาตินี้ด้วยเถิดอันนี้ถูกต้องนะคือให้ปรารถนาให้พ้นทุก์อย่ามาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้อะไรตัวมีอะไรมากมายหลายๆอย่างประเดประดังเข้ามา เหมือนความสุขก็จริงอยู่แต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยใจจะขาดนะมันหาความสุขไม่ได้แต่จุดนั้นนะ่ะเกิดมาพบหน้าชาติหน้าใจจะขาดกระทุกอีกอย่างเก่าเพราะนั้นอย่ามาเกิดจะดีกว่าจะทํายังไงจึงจะไม่มาเกิดอันนี้แหละขอให้ถึงพระนิพพานด้วยอนุสงุบุญกุศลที่ทํามากน้อยก็ขอให้ถึงพระนิพพานถ้าได้ปรารถนาสิ่งนั้นได้ก็ดีที่สุดนะแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้ไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งไปพักผ่อนอยู่ ชั้นพรมชั้นสวนรรค์ก็ยังดีดีกว่าตายแล้วไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ทุติชานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นหมูหมากาไกา่เขามีความทุกข์ยังไงการเป็นอยู่ของเขาการล้วนแล้วออกจากไปจากวิญญาณคือใจนี่แหละภาพเป็นปฏิสนธิไปเกิดพอเกิดแล้วกันเกิดขึ้นมาแล้วก็หิวหิวก็ต้องได้กินอาหารเลี้ยงชีพของตนเองชีวิตของตนเองแต่ในใจบางตัวก็ฉลาดกว่าคนมีบุญบาติวาสนาบา ร, รมีกว่าคน เพนั้นพระพุทธเจ้าท่านทีงว่าม่เหตฆ่าสัตว์เพราะว่าใจของเขาร่างกายของเขาได้ตกต่ําในภพนี้ชาตินี้แต่ว่าใจของเขาไี่สูงเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาจจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มาก่อนหรือเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าแต่ว่าทําความกรรมชั่วในเชี่ยววินาทีหนึ่งพอตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์สารสิงเป็นหมูหมากาไก่ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ว่าใจของท่านนะยังสูงส่งอยู่แต่ว่ากรรมส่วนหนึ่งพลิกผันให้ท่านไปในทางที่ชั่วเนะี่ยเพรา ะ, ระท่านพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าเอ่อย่าทําอย่าไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนจึ่งกันละกันแต่ท่านก็ย้ํำอีกว่าความชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำมาแล้วจะทําให้ตนเองไปได้ทางชั่วได้ได้ลหลายอย่างนี่แหละคือการสร้างคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ความปรารถนาก็ไม่เหมือนกันอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาในครั้งพุทธยากนะท่านเป็นผู้เป็นพระโสดาบันนางวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้ดูแลอุปธรมพระถาพระสงฆ์อยู่ที่วัดบุบพารามไม่ใช่วัดเชตวารามนะเชตวารามเนี่ยเป็นวัดของอนาถาพิทิกเศรษฐีวัดบุบพารามเนี่ยเป็นวัดของนางวิสาขาเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ของนางเองท่านก็เป็นเศรษฐีนะ แต่ที่ท่านก็วันพระอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าประทับแล้วก็อุบาสุกูบาสิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบาสิกาเนี่ยจัดเป็นกลุ่มๆนะเออเป็นกลุ่มๆ ก, กลุ่มคนแก่กลุ่มคนกลางคนกลุ่มเด็กหนุ่มสาวนเนี่ยมารักษาศีล น, นางวิสาขาเออคนเหล่านี้เนี่ยเขามีความคิดอย่างไงวะเออพวกแต่ละกลุ่มเนี่ยเราไปถามเลสิเอถามความเห็นของเขาสิ เขามีความตั้งใจและเขามีความปรารถนาอย่างไรในกลุ่มคนมารักษาศีลเหล่านี้คือรักษาศีลอุโบสถก็มีรักษาศีลห้าก็มีนางวิสาขากันเลยถามป้ายายยายรักษาศีลคราวนี้รักษาศีลเพื่ออะไรหวังอะไรปรารถนาอะไรยายทั้งหลายก็ตอบพร้อมกันโอ้พวกยายทั้งหลายเกิดมาพบนี้ทุกข์เหลือเกินชีวิตครอบครัวผ่านมามาก แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเท่าแก่ชราไอ้เขาถึงยังไงยังไงก็ขอให้พวกผู้ฆ่าทั้งหลายอั น, น้สงทานอั น, น้สงสินขอให้ได้ไปสู่สวรรค์ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเธอข้อาพปเจ้าปรารธนาสวรรค์ขอให้ไปเกิดสวรรค์นางก็ทราบแล้วก็ไปถามอีกคนกลุ่มหนึ่งอีกไปถามคนเอ้เอาไปไงพวกเาราปารธนาอะไรบอกโอ้ถึงยังไงยังก็ขอให้ครอบครัว มีความร่มเย็นเป็นทุกมีความผาสุกมีลูกปีเต้าทุกคนก็ให้มีหน้าที่การงานที่ดีๆมีความสุขกันในการเป็นอยู่ะไปถามอีกกลุ่มนึงอีกพว ก, พวกที่แต่งงานเริ่มเป็นจะมีครอบครัวโอ้ยขอให้เราพวกเราทั้งหลายท่านได้ลูกคนแรกก็ขอให้เป็นให้ได้ลูกเป็นผู้ชายโดยเธอ เพื่อจะได้เป็นหลักของขอครอบครัวจะได้บวชในพระพุทธศาสนา อ, อ, อันดับแรกก็ขอให้ได้รบผู้ชายก่อนฮะอันนี้คือคือคนกลุ่มหนึ่งแล้วไปถามเด็ก เ, เด็กกําลังเป็นสาวรุ่นถามว่าหนูปรารถนาอะไรรักษาศีลในครั้งนี้เด็กสาวเหลนะ่านั้นก็ตอบว่าพวกหนูทั้งหลายรักษาศีลปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยอันนี้สงสิ์ศีลทั้งหลายทั้งปวงก็ขอใหออ้พวกหนูไปสู่ ได้แฟนมีคนมั่งคัง่งแฟนสวยงามแล้วก็เป็นคนมั่งคัง่งเป็นคนดีแล้วก็ให้ไปอยู่ตระกูลสามีตั้งแต่เป็นสาวสาวจะให้เป็นสาวแก่พูดง่ายๆอันนี้ก็คือนางวิสาขาได้ยินแล้วก็คนแต่ละกลุ่มนี่ปาถนาไม่เหมือนกันในในแนวความคิด น, นางก็เลยเอาคนกลุ่มนั่นแหละไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์กอกเออใช่แนวความคิดเนี่ยไม่เหมือนกันคนกลุ่มหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งพูดผ่านความทุกข์ยากมาแล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งไอ้คนที่ยังไม่เคยเห็นทุกข์ก็คิดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี่แหละอย่างคนสี่กลุ่มนี่แหละพระพุทธเจ้าแต่ถึงยังไงก็ตามทุกกลุ่มเนี่ยก็คือพญาายโคบานไนโคบานคือคนเลี้ยงโคลนะเลี้ยงวัวเหมือนกันคนเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ เราจะต้องไล่ฝูงวัวไปกินหญ้าแล้วก็ไล่ไปกินน้ําในแหล่งน้ําเพราะนาโคบาลรู้จักแหล่งของวัวควรจะไปกินที่ไหนยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเพราะพระเจ้าท่าว่าพยามัจุราชนี่ไล่ต้อนฝูงสัตว์ทั้งหลายพวกสัพพสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะไปสู่ความแก่แล้วก็ไปสู่ความเจ็บแล้วก็ไปสู่ความตายคือหลักประหารทุกคน พนั้นเราปรารถนาสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีปรารถนาเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ดีต้องการปรารถนาให้มีลูกชายเป็นหลักของครอบครัวก็ดีปรารถนาให้ไปสู่สกุลสามีภรรยาที่มีตระกูลก็ดีล้วนแล้วจะปรารถนาวัตตะปรารถนาความทุกข์เข้าหาตัวเองท่าทางที่ดีแล้วคือตั้งจิตตั้งใจ สังสงคูณงามความดีและกับรารถนาพระนิพพานขอให้ไม่ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นแหละคือปรารถนาที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านยุส่งเลยให้ปาถนาอย่ามาเวียนไหวตายเกิดถ้ามาเวียนไหวตายเกิดกันเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายมีความสุขก็จริงอยู่แต่อีกสักวันหนึ่งเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะภัยเข้ามาถึงไปนอนที่โรงพยาบาล สลบสไลด์เข้าห้องไอซีตะลีตะเลือเงี้อยูอย่ต้นเจะหาความสุขได้ไหมถึงจะมีความสุขยังไงก็ตามแต่ถึงจุดนั้นละ่ะหาความสุขไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวแต่ทีนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับในครั้งพุทธกาลอีกเหมือนกันแต่คนทั้งหลายกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์เลเออก็ไม่มั่นใจเหมือนกันมันหลอกกันหรือเปล่าว่าตายแล้วเกิดแต่นี้มีพรามณ์ เขาบอกเป็นผู้มีฐานะกล่ำรวยแต่เขาเกิดมาเขามีบุญวาดสนาอย่างหนึ่งพอเกิดขึ้นมาแล้วคล้ายๆเขาเขามีฌานแล้วมีวิชาตัวหนึ่งติดตัวของเขามาพอเกิดขึ้นมาแล้วเขามีญาณทัตตาอย่างรู้เลยว่าคนนี้ไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะบอกว่าเขาจะทำนายได้ อ, อันดับแรกเขาคงจะเอากระโหลกหมาเนะนี่ยมาเคาะหัวบรรณ์ ใช้ไม้เขามีไม้ไม้กายยาสิตของเขาไม้อาสิทธิ์ของเขาเนี่ยมีไม้มากระเคาะหัวหมานปักปักปักเขาก็นั่งสักสงบจิตดูสะกดจิตดูงั้นแต่กําหนดดูที่ใจดวงวิญญาณหมาตัว น, นี้มันไ ป, ไปเกิดที่ไหนฮะเขาก็ทายได้จากนั้นก็ก็ทํานายคนเล ย, เนยคนคนนี้ไปเกิดที่ไหนเอากะโหลกมาเนี่ยเคาะเอ่อผลในสวดกดไปทุกแห่งโหนโง่กิตติศัพท์ของเขาดังไปหมดเลยทีนี้ คนคนนี้ชื่อว่าอย่างนั้นนามสกุลอย่างนี้ตายแล้วไปเกิดที่นู่นที่นี่ เ, เขาก็บอกอบางเพิงเผยเผยไปเกิดที่ไหนคนวิญญาณโรงที่ไปบอกเขาก็ยังมาบอกให้ฟังอีกต่างหากมันเข้ากันได้คนทั้งหลายก็เป็นที่ยอมรับกันท่านมีชื่อว่าวังคีสะน ะ, ะวังคีสะพรามคนนี้นะแต่เป็นผู้ลูกล่างสา ง, งาพาเผยเ็จสวยงดงามเาเป็นไปคนมีตระกูลเหมือนกัน คนทั้งหลายก็ยอมรับแต่จากนั้นก็ไปทําลายทายทักไปเรื่อยไอ้คนที่เป็นหัวหน้าก็เหมือนหมอดูนะหมอดูที่ไทยแม่นๆใช่ไหมก็ต้องมีบริวารอันนี้เป็นธรรมดาฮนอะบริวารก็คล้ายๆกับเป็นสมุนเป็นหน้าม้าอต่างหากว่างั้นะออแต่นี่ก็วังกีสาก็มีสมุนอีกเหมือนกันติดตามจี่สอยห้อยตามถึงห้าร้อยคนนะติดต่อสอยห้อยตามไปในชนบทไหนก็อา้าวใครอยากจะรู้ว่าวิทย ญาติพี่น้องของใครตายแล้วเกิดที่ไหนเอามาสมัยนะั้นเขาไม่ได้เผานะโดยมากก็ตายแล้วกเขาไปทิ้งที่ป่าช้าบางังไปฝังบงังลักษณะอย่างนั้นเขาเอากะโหลกต่างคนก็เอากะโหลกพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมาให้พราหมณนี่เคาะเ่ะคนละยี่สิบกรหาปะหนาบา 5, ะบังหักกหาปะหนะบังถุทแท้แต่ใครจะให้นะอแต่เป็นอาชีพไปเลยทียนะี้พราหม์ท่านี้ก็เคาะไปเรื่อยเลย คนทั้งหลายก็ให้เหินมาพวกบริวารก็ได้อยู่ได้กินกับการทํานายของพราหมณ์แต่นี้ยก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงกรุงสาวัตถีกรุงสาวัตถีคื อ, ค, อคือกรุงที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นะเออแต่นี้ยเขาไปหาที่พักพาอาศัยอยู่แห่งหนึ่งแต่จากนั้นก็หนึ่งพราหมณ์ท่านก็ประ ก, กาศอะลีวลอ้อทั้งหลายหน้ามาทาั้งหลายประกาศเออใครอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดที่ไหนมาเนะ พราามณ์ของเราเนี่ยรู้จักมดแต่ทนี้ก็เห็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าถือดอกไม้ทูบเทียนไปเข้าไปปวัดป่าเชตตะวันไอพวกนี้นก็เห็นเอา้าพวกท่านไปไหนไปกราบพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมท่านโอ้ยพวกท่านอยไปทําอะไรนี่มหาพระามณ์เนี่ยระวังคีสของเราเนี่เหนือกว่าใครทั้งหมดเดี๋ยวนี่้แต่พวกนั้นก็เอ้ย บางคีสะก็จะสู่พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าสยามภูรู้แจงโลกเลยใครๆก็อวดอวดจัดดาบารมีของอาจารย์ของตนเองใช่ไหมอย่างคนยุคทุกวันนี้ผู้ใดนับซื้อลงพระอินทร์ก่อนลงพระอินทร์เก่งก้มูผู้นับถือองค์อื่นก็ว่าองค์อื่นเก่งก้มูผลในสุดลูกศิษย์ก็จะตีกันเอยเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะแต่นี้ก็พราหมณ์ต่นั้นก็ต่างคนก็ต่าง ยกว่าสมณโคดมพุทธเจ้า เ, เหนือกว่าใครทั้งหมดในโลกนี่แต่พวกเขาทือนับถือพราม์คนนั้นวังคีสาก็บอกพราม์เนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดเคาะกะโหลกใครในรู้ทั้งหมดไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนฮะนี่แหละโวนันโศก็เลยพวกพระพุทธเจ้าไม่ฟังไม่ยอมฟังเอแสดงว่าพพระพุทธสมณโคดมเนี่ยจะเก่งจริงหรือเปล่าปะเพราะเขาไม่ฟังเลยเนีย อสำนักพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเชื่อในพระธรรมคําสอนเชื่อในพระพุทธเจ้าพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครที่จะยิ่งกวา่าจะแล้วจากนั้นก็พราหมณ์เราก็เลยไปเข้าไปกราบส ม, มณครมใช่เป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าพราหมณ์คนนี้จะเข้ามาฮะกับบริวารเยเขาพ่อพราหมณ์คนนี้มีอุปนิสัยมรรคผลนิพพานจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่นะ่ะแต่ว่าเขาหลงผิดเป็นในอีกแนวฉีกไปอีกมุมหนึ่งฮะ พระองค์ก็คอยรอคอยพอเข้ามาแล้วพระองค์ก็เตรียม ศ, สศนะีสศาวไปหกศีสระนะเออสีรษะที่ศีรษะไปเกิดในรถนรกก็มีศีรษะไปเกิดเป็นเปรตก็มีศีรษะไปเกิดเป็นเจติติชฐานก็มีศีรระมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีศีรษะไปเกิดสวรรค์ก็มีศีรษะพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานก็มีนะท่านเตรียมเอาไว้ จากนั้นก็พรามธ น, นมาพระองค์ก็ถามว่าพรามวังคีสะเธอทำอะไรพรามก์กงบรรยายให้ฟังข้าพระองค์เป็นผู้รู้จักชีวิตของคนท่านได้เคาะกะโหลกศีรษะแล้วเจียงไหมยจริงพระเจ้าค่ะเออเอาถ้าจริงมาเคาะกะโหลกไล้เสีพอเคาะกะโหลกปักปั ก, ปกโอ้ วิญญาณนี่ไปตกนรกพระเจ้าข่านะเออใช่ถูกต้อง อ, อดีละถูกต้องถูกต้องเนี่ยนะพระพระุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิเสธนะอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเราถามว่าไสยศาสตร์มีไหมออพวกไสยศาสตร์มีไหมพวกผีมีไหมพวกปอบมีไหมอย่างเนี้ยออครูบาอาจารย์ท่านไม่ปฏิเสธนะพวกไสยศาสตร์พวกเคอรอื่องรางของขลังอย่างเนี้ยอ อ, อย่างเนี้ยมีไหม คูบาอาจารย์ท่านมันเป็นเสียมันมีอยู่ในโลกเน่ยอันนี้ก็เหมือนกันพระพระเจ้าท่านพราม์คนนั้นท่านเคาะกะโหลกศีรษะคนนี้ไปตกนรกพระเจ้าขา่าเออใช่ยอมรับเอากะโหลกที่สองให้เคาะอีกโอ้คนนี้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นวิญญาณที่เลื่อนลอยหาจุดทากกฎเกณฑ์ไม่ได้เดี๋ยวนะี้ยังเลื่อนลอยอยู่พระองค์เออใช่ถูกต้องฮะเคาะกะโหลกอีก อ, อ, อันนี้ไปเกิดเป็นสัตติธัาชานนะ่ะเออ ไปเกิดเป็นสัตว์นะตัวเนี้ยคนคนเนี้ยโป่งเออใช่ถูกต้องเอากะโหลกให้เคาะอีกเอเออันนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะกระโหลกเนี่ยเอออ้าวใช่ถูกต้องเคาะไปจนถึงสวรรค์ถึงพรหมจะนั้นเอากระโหลกพระละหันให้เคาะปะเนี่ยกะโหลกพระละหันให้เคาะเคาะปักปักปัปเงียบคือไม่รู้จักทางไปทางมาพระละหันเนี่ยท่านหมดจดจากกิเลสแล้วเด็เออท่านเข้าสู่อมตมหานิพพานแล้ว ท่านมันออกจากโลกสมมุติทั้งหลายทั้งปวงแลวงหละเคาะทอะไหรก็นเงียบเคาะอสองสามครั้งเงียบพ ร, พระพุทธองค์ก็ถามว่าวังคีสะกะโหลกนี่ไปไหนไม่รู้กรบผมไม่รู้จักทางไปทางมาเลยกะโหลกนี่แปลกจริงๆเลยแต่เคยเคาะมาก็เห็นรู้ทุกกะโหลกที่ผ่านๆมาไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกะโหลกรู้หมด แต่กะโหลกนี้แปลกว่ะไม่มีทางไปทางมาเนี่ยเขาก็ซื่อสัตว์นะเขารู้จริงๆเถึงพระพุทองค์บอกว่าเนี่ยกะโหลกเนี่ยเป็นกะโหลกพิเศษเอีแล้วเขาไปเกิดไหนพระเจ้าค่ะเรายังไม่บอกถ้าว่าเธอบวชเธอบวชเข้ามาแล้วศึกษาจึงจะให้ประสิทธิ์ประสัดวิชานี้ให้ถ้าคนไม่บวชไม่ให้วิชานี้คือพระพุทธองค์จะให้วังคีสะบวชใช่ไหมโอ้ท้าอย่างนั้นเอาข้าพระองค์ ยังขาดวิชานี่อยู่ยังไม่ได้วิชานี่ขอบวชเอ่อก็เลยเอา้าววชก็บวชพระองค์ก็เลยให้บวชนะพอให้บวชเสร็จแล้วกับบริวารทั้งห้าร้อยใช่ไหมเอ้ยสุ้เจ้าออกไปนอกวัดะก่อนอคอยอยู่นอกวัดเดี๋ยวข่าจะเรียนวิชานี่ก่อนถ้าได้วิชานี่ไปว่ามดมุดเออกระเดื่องเรื่องลือเลยละ่ะเออเรายังกระโหลกเดียวเดียวนี่แหละยังเรายังไม่รู้อยู่ใ น, นี่ยนะจากนั้นบริวารก็ออกไปคอยอยู่นอกวัด ท่านนี้พระวังคีสาท่านก็เรียนวิชาพระพุทธองค์สอนให้ใช่ไหมสอนให้พิจารณาเกสาผมโลมาข น, นาขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกแยกแยะวันหลังกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราใจของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถอดถอนกิเลสในใจพอเรียนเข้ามาของลูกน้องก็มาถามไปไงอาจารย์จบแล้วยังยังยัยั ง, ย ง, ยงไปไปจะเพิ่งมาใกล้นะเดี๋ยวเราเรียนยังไม่จบ เออแต่สองสามวันก็มาถามอีกไมไปไปไปอย่าเพิ่งมาเราจึงได้ยังไม่จบเอาละใกล้ละเรารู้แนวทางแล้วพอถึงเจ็ดวันท่านได้สําเร็จเป็นพระรหันต์พระวังคีสาตยได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ท่านเองพวกลูกน้องก็มาถามเป็นไงอาจารย์โอ้ยวิชาของเราที่ผ่านพาๆมาวิชาหลอกหากินเฉยๆเราไม่กลับไปอีกแล้วสูตเจ้าจะไปที่ไหนก็ไปนะไปหากินที่อื่นซะ เราจะบวชแล้วเราจะไม่ศึกแล้วโอ้ท่าอาจารย์บวชพวกผมก็บวช ด, ด้วยแล้วเออเอาบวชก็บวชมามาบวชไอ้ลูกศิษย์ก็เลยมาบวชท่านก็เลยมีบริวารแต่ห้าร้อยเนี่ยอันนี้แหละคือพระวังคีสะจากนั้นได้สาเร็จเป็นพระหัน์พระพุทธองค์สอนเรื่องกรรมฐานให้เนี่แหละในครั้งก่อนในครั้งพุทธการเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเขาก็มีความศึกษาอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน แต่ถึงยังไงพระพุทธองค์ก็มีวิธีการที่จะศึกษาในเรื่องนี้ว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญแต่ทุกคนทีไ่ได้ศึกษาดูแล้วคนเราเนี่ยตายแล้วเกิดเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นจึงท่านจึงให้สั่งสังสมคุณงามความดีให้สั่งสมบูรณ์กุศลเข้าสู่จิตใจท่านจึงยกเป็นพุทธภาษีว่าปุญญาณิปัโล ก, กัจมิงปฏิทถาโหนติปานิหนัง บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาถ้าว่ามีแต่โลกเดียวเราเกิดมาและตายแล้วก็สูญจะไปทำคุณงามความดีให้งโง่ทำใหม่ใช่แต่มันไม่ไม่ศูญอย่างที่ว่าดิพราะพระองค์ได้ศึกษาดูแล้วถ้าว่าตายแล้วศูญเราก็คงจะไม่เห็นผีและไม่มีผีไม่ต้องกลัวปานะ่าช้าล่ะไปนอนที่ไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าตายแล้วสูญหรือเปล่าน จะให้ไปนอนปลายเช้ า, ชามาเลยกลัวผีไงถ้ามันตายแล้วศูนย์จะไปกลัวทําไมไงเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมทุกหมู่ทุกเรานะวันที้พวกเราได้มาทําบุญกงน้อมจิตุที่ส่วนกุศลถึงบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างที่ลุงพ่อได้กล่าวพราะปู่ย่าตายายของเราอาจจะเกิดเป็นสัตว์ที่ฉาญถ้าไปตกนรกเราก็แล้วไปถ้าหาว่ามาเกิดเป็นเปรตที่ล่องลอยอยู่ พวกเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกท่านเหล่านี้จะได้รับถ้าพวกท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วก็จบไปสู่สวรรค์ชั้นพรมอาหารสวรรค์ชั้นพรมท่านก็อีกส่วนหนึ่งถ้าว่ามาเกิดเป็นมนุษย์อาหารของมนุษย์ก็ส่วนหนึ่งมาเกิดเป็นสัตว์ที่ละชานเป็นสัตว์ทีรละชันส่วนนึงถ้าหาว่าดวงวิญญาณยังเป็นเปรตยังล่องลอยอยู่ดวงวิญญาณเหล่านั้นจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าถ้าว่าตกนรกแล้วก็ว่าส่งไม่ถึงอีกเหมือนกันนะเนีส่งไปชนีในไปชนีไม่รู้จะส่งยังไงอีกเหมือนกันในเมื่อนายไปชนีส่งไม่ถึงจะทํำยังไงส่งกลับมาหาเจ้าของเดิมผู้ที่ส่งไปชนีถ้านายไปชนีซื่อสัตย์นะถ้าเราไปฝากไปชนีแล้วไปส่งหาเจ้าของเขาไม่เจอเออเจ้าผู้ที่ปลายทางไม่มีไม่มีที่อยู่ปลายทางนายไปชนีไปหาแล้วไม่เจอเขาต้องส่งมากลับมาหาเจ้าของ นี่ก็เหมือนกันบุญกุศลที่พวกเราได้ทําไปแล้วท้าวาญาติพี่น้องของเราไม่ได้รับบุญกุศลน่าจะไปถึงไหนจะต้องกลับมาหาเจ้าของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้กระทําเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจต่าย ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ศึกษาเอาไว้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดถี่ถ้วนนะถ้าพวกเราได้ศึกษาเพราะนั้นขอให ในวันนี้กับพวกเราได้มาพบมาเจอเป็นวันฉลากกระพัดวันเดือน10เแผ่นวันหนึ่งปี2555นยปีต่อไปก่อนสอาปี2555ก็ผ่านไปแล้ว น, นี่แหละมันไหลไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ไหลแต่วันคืนเดือนปีเท่านั้นชีวิตของเราก็ไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายในที่สุด เพราะนั่ขอให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทนะพร้อมกันกับวันพุ่งนี้นะอย่าลืมพุ่งนี้อย่าลืมทุนกระหมอ่อมจะถแถลงข่าวการกุศลสร้างพระเจดีย์องค์หลวงตาพวกเราควรจะไปช่วยกันฟังวางปฐมมะเลิกสร้างพระเจดีย์หลวงตาแต่เมื่อเราลมหายตายจากไปเราไปสู่สวรรค์ชั้นพรมแล้กโอ้พระเจดีย์หลวงตานวันวางปฐมมะเลิกวันกล่าวถแถลงข่าว วันแรกเราก็ได้ไปนั่งฟังเราจังได้ไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับเจดีย์องค์หลวงตาอยู่หนะ้าหลวงตาเนี่ยเป็นพระหันแห่งบุญกุศลได้ติดภพติดชาติเรามาเนี่ยมันจะปิดติดภพติดชาติอย่างนั้นนะคณะสัตยาธิโยมลูกหลานนะเพราะนั้นหลวงพ่อยังบอกว่าเอ๊ะมันพวกยากลําบากจะไม่ได้ไปแล้วม嘛เอาถ้าเราไม่อยากได้บุญก็ไม่ต้องไปถ้าใครอยากจะได้บุญยังค่อยไปนะนะมันจะไปยากอะไร ไม่ใครไม่อยากจะได้บุญก็ไม่ต้องทำบุญไม่ต้องทาทานแต่ถ้าใครอยากจะได้บุญเอ้าเสียสละเนอะทำทานเนอะใครอยากจะใครอยากจะได้บุญเออรักษาศีล น, นะถ้าใครไม่อยากจะได้บุญเอา้าไม่ต้องรักษาก็ได้ศีล น, นะมันจะยากอะไรมีสองทางเท่านั่นละพวกเราท่านทั้งหลายคณะจัทวาญาติโยมลูกหลานเนะอะต่อเนี้ไปคณะสงฆ์จะโน้โมนาให้พร